การมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาทำบุญมารักษาศีลมาภาวนาเป็นเหมือนกับการขับรถยนต์ไปที่สถานีบริการรถยนต์นี้ต้องเข้าสถานีบริการ เป็นระยะระยะเพราะจำเป็นจะต้องไปเติมน้ํามันรถยนต์ไปเติมน้ําให้กับรถยนต์ไปเติมลมให้กับยางของรถยนต์เพื่อให้รถยนต์วิ่งไปไหนมาไหนได้อย่างสะดวกราบรื่นไม่มีอุปสรรค สามารถไปที่ไหนมาไหนได้ดังใจหมายใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งไปวิ่งมาซึ่งตอนนี้ใจของเราได้พบกับแผนที่ที่จะนำทางให้เราไปสู่บ้านที่แท้จริงของเรา บ้านที่ถาวรของเราบ้านที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันเสื่อมไม่เหมือนกับบ้านที่เราตอนนี้กำลังอาศัยกันอยู่คือภพชาติต่างๆเป็นภพชาติที่ชั่วคราวไม่ถาวรเป็นแล่าเดี๋ยวก็หมดเป็นมนุษย์แล่าเดี๋ยวก็หมด เดี๋ยวก็ไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็หมดก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทําบุญทําทานมารักษาศีลกันใหม่แล้วก็ไปได้บ้านใหม่แต่เป็นบ้านชั่วคราวบ้านที่ยัง ต้องมีวันสิ้นสุดมีวันหมดแต่พบนี้ชาตินี้เป็นพบชาติที่สำคัญของพวกเราที่เราได้มาพบกับผู้รู้ทางผู้บอกทางไปสู่บ้านของเราที่ถาววรบ้านที่ไม่มีวันหมดบ้านที่ให้ความสุขของเราให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียว ไม่มีความทุกข์บ้านที่ไม่มีความทุกข์คือพระนิพพานที่มีพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ค้นพบแล้วก็นำมาสอนมาสั่งพวกเราให้พวกเราออกเดินทางไปสู่บ้านหลังนี้กัน การที่เราจะไปสู่บ้านหลังนี้ได้เราก็ต้องมีน้ามันให้แก่ใจของพวกเราผู้เป็นผู้เดินทางผู้เป็นเหมือนกับรถยนต์ที่จะพาให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเราก็ต้องแวะสถานีบริการเป็นระยะระยะเพราะน้ำมันที่เราใช้ ธรรมะที่เราใช้ผลักดันจิตใจของพวกเราให้ไปถึงพระนิพพานนั้นต้องมีการคอยเติมอยู่เรื่อยๆต้องเติมไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานจนถึงบ้านเมื่อถึงพระนิพพานถึงบ้านแล้วเราก็ไม่ต้องเติมเหมือนกับน้ำมันรถยนต์ที่เราต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ แต่พอเราไปถึงจุดหมายปลายทางไปถึงบ้านที่เราต้องการจะไปเราก็ไม่ต้องเติมน้ำมันอีกต่อไปนอกจากว่าถ้าเราต้องออกเดินทางใหม่เราก็ต้องไปแวะเติมใหม่ฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนรถยนต์ที่กำลังเดินทางไปสู่บ้านที่แท้จริงบ้านที่มีแต่ความสุข บ้านที่ถาวรบ้านที่ปราศจากความทุกข์คือพระนิพพานเราจำเป็นจะต้องมีน้ำมันเติมอยู่เรื่อยๆน้ำมันก็คือธรรมะที่จะให้กำลังใจแก่ใจของพวกเราให้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ถ้าเราไม่แวะ เข้าวัดบ่อยๆอยู่เรื่อยๆน้ํามันก็อาจจะหมดได้แล้วก็จะทําให้เราไปไม่ถึงบ้านที่เราต้องการจะไปก็ได้แต่ถ้าเราเข้าวัดอยู่เรื่อยๆเข้ามาเติมธรรมะอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปด้วยกันทุกคน นั่นก็คือพระนิพพานน้ำมันของใจคือธรรมะมีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองวิริยะความภาคเพียรสามสติความระลึกรู้สี่สมาธิ ความตั้งมั่นของจิตใจและห้าปัญญาความรู้เห็นสภาพความเป็นจริงของสภาวธรรมทั้งปวงเห็นว่าเป็นอรอิเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือทำห้าประการที่จะทำให้เรามี พลังมีกาลังที่จะเดินทางไปสู่บ้านของเราได้ถ้าปราศจากน้ามันปราศจากทำห้าประการนี้แล้วเราจะไม่สามารถเดินทางไปถึงบ้านของเราได้ดังนั้นเราจึงต้องคอยมาวัดอยู่เรื่อยๆเรยพราะวัดเป็นที่ที่จะ เสริมศรัทธาเสริมวิริยะเสริมสติเสริมสมาธิเสริมปัญญาให้แก่เรานั่นเองที่อื่นในโลกนี้ไม่มีไปที่อื่นจะไม่สามารถได้ได้การเสริมของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไปตาม แหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปตามศูนย์การค้าต่างๆไปตามแหล่งมหาลศบันเทิงต่างๆหรือไปตามสถาบันการศึกษาต่างๆไปตามโรงพยาบาลต่างๆจะไม่มีธรรมะเหล่านี้ให้กับเราจะมีธรรมะก็ต้องไปที่วัดวัดก็ต้องเป็นวัดที่ไม่ใช่เป็นวัดร้าง จากธรรมเหล่านี้ถ้าไปวัดที่ไม่ได้ให้มีศรัทธาให้มีวิรยิยะให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาก็ถือก็เหมือนกับสถานีบริการที่ไม่มีน้ำมันขายไม่มีน้าให้เติมไม่มีลมให้เติมดังนั้นถึงแม้ว่าจะไปวัดก็ต้อง ดูว่าเป็นวัดที่มีน้ำมันให้เราเติมหรือไม่มีธรรมะให้เราเติมหรือไม่มีศรัทธาให้เราเติมหรือไม่มีวิริยะให้เราเติมหรือไม่มีสติมีสมาธิมีปัญญาให้เราเติมหรือไม่เพราะนี่คือสิ่งที่เราต้องการจากการไปวัดกันเราไม่ต้องการอะไร นอกจากศรัทธานอกจากวิรยิยะนอกจากสตินอกจากสมาธิและนอกจากปัญญาเท่านั้นเพราะศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญานี้แหละที่จะผลักดันจิตใจของเราให้ได้ไปถึงพระนิพพานนั่นเองการที่จะทำให้เกิดศรัทธานั้นทาอย่างไร ก็เกิดจากการได้ฟังเทศฟังธรรมนี้การฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้ฟังเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราได้ยินเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาแล้วเมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะมี วิิยความอุตสาหาภาคเพียรที่จะพยายามปฏิบัติเสด็จตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกได้ปฏิบัติกันสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติและได้ไปถึงกันก็คือได้ไปถึงพระนิพพานด้วยการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญานีเอง ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราไปถึงพระนิพพานได้นอกจากสติสมาธิและปัญญาด้วยการสนับสนุนของศรัทธาและวิริยะความอุตสาหะภาคเพียนพยายามการที่เราจะต้องมีศรัทธาเพราะเพื่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีศรัทธา เราไม่มีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระธรรมคำสอนที่สอนให้เราได้ไปถึงพระนิพพานนี้เป็นคำสอนที่จะพาให้เราไปถึงพระนิพพานได้จริงหรือเปล่าพระอริยสงสาวกผู้ที่ได้น้ำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและได้ไปถึงพระนิพพานแล้วนั้น มีจริงหรือไม่ถ้าเราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้รับการยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงว่าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่จะนําผู้ปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอน และพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายผู้ที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานแล้วด้วยการปฏิบัติตามคำสอนนี้ mm hmm. ก็จะยืนยันให้เราฟังว่ามีจริง mm hmm. เมื่อเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นของจริงพระธรรมคำสอนเป็นของจริง พระอริยสงสาวกเป็นของจริงความลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนนี้จะทำให้เราได้ไปถึงพันนิพพานหรือไม่ก็จะหายไปถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราไปได้ยินได้ฟังจากคนอื่นเราจะไขวเขว้ได้เพราะคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ไปถึงพระนิพพานนี้มักจะพูดกันว่าพระนิพพานนี้หมดยุคหมดสมัยแล้วไม่สามารถที่จะปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้แล้วเพราะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกมาสอนมาพาให้เราไปถึงกันนี่คือพวกที่ไม่เคยได้พบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เลยคิดไปตามความรู้สึกนึกคิดของตนว่าพระนิพพานไม่มีแล้วปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะพวกนี้เขาไปเจอพระสงฆ์ปลอมเป็นพระสงฆ์ที่เป็นผูุ้ชนเป็นพระสงฆ์ที่เป็นไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล น, นั่นเองพระสงฆ์เหล่านี้ท่านก็ยังไปไม่ถึงพระนิพพาน ท่านก็จะเป็นผู้ที่ทำให้เราไข้เข้เองท่านจะบอกว่าเราปฏิบัติมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังไปไม่ถึงพระนิพพานโยมจะมาปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรขนาดเราเป็นพระเรายังปฏิบัติไปไม่ถึงพระนิพพานแล้วโยมจะปฏิบัติไปถึงพระนิพพานได้อย่างไรถ้าเราไปพบกับพระ ที่เป็นพระปุตุชนพระที่ยังไม่ได้บรรลุถึงพระนิพพานเราก็จะได้ยินได้ฟังในลักษณะนี้ท่านก็มักจะสอนว่าทาบุญทําทานให้ไปสวรรค์ได้ก็พอแล้วรักษาศีลเพื่อไม่ให้ไปเกิดในอบายก็พอสมควรแก่กําลังของพวกเราแล้วการที่เราจะไปให้ถึงพระนิพพานได้นี้ จะต้องมีพระอริยบุคคลมาสั่งมาสอนเท่านั้น <Yeah. S 1> เขาไม่เข้าใจความหมายของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระธรรมนี้แหละเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตายจากพวกเราไปแล้ว สิ่งที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าแทนพระพุทธเจ้าสิ่งที่จะมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่ได้ทรงประกาศสอนไว้และได้มีการจดจำและบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่อันนี้แหละเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่จะชี้ทางให้เราได้ไปถึงพระนิพพานได้ แล้วก็พระอริยสงสาว ก, ก็มีอยู่แต่เป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะหายากเท่านั้นเองเป็นเหมือนเพชรที่ไม่ได้มีอยู่ตามท้องถนนต้องไปขุดไปเจาะในป่าลึกถึงจะได้พบเพชรคือพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลส่วนใหญ่ ท่านจะไปปลีกวิเวกอยู่ในที่สงบสงัดบจะไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปนี้จะเจอแต่พระที่หาง่ายพระที่เป็นเหมือนก้อนหินที่มีตามท้องถนนเดินไปตามท้องถนนที่ไหนก็มีก้อนหินหาก้อนหินได้ง่ายแต่หาก้อนเพชรนี้หาได้ยาก วัดวารามต่างๆตามบ้านตามเมืองต่างๆมีพระสงฆ์องค์เจ้าเต็มไปหมดนะแต่พระสงฆ์เหล่านั้นไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลเลยเวลาตายไปนี้กระดูกหรืออัฐิไม่ได้กลายเป็นพระธาตุเลยเ <ๆ S 2> ถึงแม้จะมีสมมณสักอันสูงส่งเป็นสมเด็จเป็นสังฆราช <ๆ S 2> แต่ไม่ปรากฏว่ามี อธิได้กลายเป็นพระธาตุเลยก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระอาริยะบุคคลคือไม่ได้เป็นพาาาระอรหันตสาวกยังไปไม่ถึงพระนิพพานส่วนพระที่อยู่ตามป่าตามเขาพระที่ไม่มีสมมาณสักไม่มีเป็นสมเด็จเป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุน เป็นหลวงตาแก่ๆหลวงปู่หลวงตาแต่เวลาตายไปกระดูกกับกายเป็นพระธาตุขึ้นมานี่แหละคือพระแทะ้พระจริงที่หายากที่มีอยู่แต่ไม่มีใครรู้กันรู้ก็เฉพาะในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นที่มีความสนใจที่จะค้นหาพระเหล่านี้ เป็นบุญของพวกเราที่ในสมัยนี้เรามีพระอริยบุคคลที่มีความสามารถในการนำเอาพระบุคคลพระอริยบุคคลต่างๆมาให้เราได้รู้จักกัน mm hmm. เช่นหลวงตามหาบัว mm hmm. ท่านเป็นผู้ที่เขียนประวัติของพระอริยบุคคลต่างๆมากมาย ตั้งแต่พระอาจารย์มั่นลงมาท่านเหล่านี้เป็นพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีท่านมาเขียนประวัติมาเล่าให้พวกเราฟังพวกเราก็จะไม่รู้กันว่าพระอารหันตสาวกนี้ยังไม่ได้สูญหายไปจากโลกนี้ยังมีอยู่แต่เราต้องค้นหากันเท่านั้นเองเพราะท่านจะไม่มาปรากฏ อยู่ตามบ้านตามเมืองเหมือนกับพระที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ท่านเป็นผู้ที่เวลาบวชท่านก็ไปบวชไปศึกษาไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยบุคคลที่อยู่ตามป่าตามเขาทำไมถึงต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาเพราะการที่จะ ปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคผลในผานขึ้นมาจําเป็นต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากบ้านเมืองห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาที่เป็นเชื้อไฟของกิเลสตัณหาที่เป็นเชื้อของภพชาติเชื้อของความทุกข์ เชื้อของการเวียนว่ายตายเกิดนีต้องไปอยู่ตามป่าตามเขาที่มีแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ที่ไม่เป็นเชื้อของภพของชาติเป็นเชื้อของความทุกข์เชื้อของกิเลสตัณหาพระอ ร, ริยบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดท่านจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในป่าในเขาทั้งนั้น นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเนี่ยมีแต่บรรลุกันในป่าในเขาพระพุทธเจ้าก็ตัดสั้ในป่าใต้โคนต้นโพพระอริยสงสาวกที่พระพุทธเจ้าไปโปรดไปแสดงธรรมก็บรรลุกันในป่าในเขากันจึงทำให้การได้พบกับพระอรหันต์ตถาวกหรือพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนั้น เป็นสิ่งที่ยากมากจนทำให้ผู้ที่ไม่มีความเพียรพยายามก็จะคิดว่าไม่มีพระอาหารหันตสาวกอยู่ในโลกนี้แล้วยึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นใจต่อพระธรรมคำสอนต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะทาให้ได้ผลทำให้ผู้ปฏิบัติได้ ดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายเข้าหากันให้ได้คือต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปหาพระที่เป็นพระสุ ป, ปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราถ้าเราได้ยินได้ฟัง ธรรมของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพออาาระอรหันตาสาวกท่านจะยืนยันให้เราฟังอย่างแน่อย่างมั่นใจว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญหายไปไหนไม่หมดไม่หมดประสิทธิภาพเป็นอาการิโก ธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเสื่อมตามการตามเวลาสมัยพระพุทธการสามารถผลิตพระอรหันต์ได้สมัยปัจจุบันนี้ก็สามารถผลิตพระอรหันต์ได้เพราะผู้ที่แสดงธรรมนั้นท่านก็ยืนยันว่าท่านได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้เป็นพระอรหันต์ได้ดังนั้นถ้าเราได้เข้าไปพบกับพระพุทธพระธรรมพระสง์ ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็จะได้รับการรับรองได้รับการยืนยันณนะว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนสามารถทําให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้บรรลุถึงพระนิพพานได้อย่างแน่นอนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ ว่าถ้าได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่แล้วถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีจะต้องได้บรรลุถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับคือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรายังไม่สามารถ หาจากพระ อ, อริยบุคคลได้ศึกษาจากพระ อ, อริยบุคคลได้ก็ขอให้เราศึกษาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้ก็จะยืนยันเช่นเดียวกันว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระไตรปิฎกได้ได้สอนไว้ก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้เช่นเดียวกันอย่าไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็ตามแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุผู้นั้นก็จะไม่สามารถสอนได้อย่างมั่นใจว่าจะว่าการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะทำให้ไปถึงพระนิพพานได้กันเมื่อได้ไม่ได้ฟังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้ที่เราคิดว่าควรที่จะยืนยันได้ มันก็จะทำให้เราไม่มีกำลังใจไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราได้ศึกษาจากแหล่งที่ยืนยันเช่นพระไตรปิฎกนี่พระไตรปิฎกนี้จะไม่มีคำพูดว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่ได้ไปถึงพระนิพพานไม่มี <c oughs> ไม่มีคำภีบทไหนบทใด ที่จะกล่าวอย่างนั้น <c oughs> มีแต่กล่าวว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนอถ้าผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักผลนิพพานย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนนี่คือคําสอนที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ดัง น, นถ้าเราอยากจะศึกษาก็ศึกษาได้จากสองแหล่งเท่านั้นที่เป็นแหล่งที่จะยืนยันว่าพระนิพพานนี้ยังไปถึงได้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังสามารถนําผู้ที่ปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพานได้ก็คือศึกษาจากพระไตรปิฎกถ้าเรายังไม่สามารถพบกับพระสุปฏิปันโน ยังไม่สามารถพบกับพระอริยบุคคลอย่าไปศึกษากับพระที่ไม่ใช่เป็นพระอริยบุคคลเพราะจะทำให้เร า, เ, าเสื่อมศรัทธาได้จะทำให้เราลังเลสงสัยได้เมื่อเราลังเลสงสัยเมื่อเราไม่มีความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเพียรพยายาม ที่จะปฏิบัติตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความเพียรพยายามที่จ ะ, จะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะไม่มั่นใจว่าจเจริญไปแล้วจะได้ผลหรือเปล่าปฏิบัติไปแล้วจะได้ผลหรือเปล่านี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆก็คือศรัทธาความเชื่อในมรรคผลนิพพาน ความเชื่อในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นคําสอนที่ไม่สูญเปล่าเป็นคําสอนที่ไม่มีเสื่อมไปกับการกับเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไปถึง 2,500 กว่าปีแล้วกว็าตามแต่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังเป็นพระธรรมคําสอนสดๆร้อนๆ เหมือนเ พ, เพิ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเลย <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับการยืนยันถ้าเราได้ศึกษาจากพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสอนของพระอริยสงสากของครูบาอาจารย์ต่างๆถึงแม้ว่าท่านอาจจะจากเราไปแล้วก็ตามแต่คำสอนต่างๆที่ได้สอนไว้ก็ยังเป็นคาสอน ที่มีประสิทธภาพมีพลานุภาพอยู่เหมือนกับตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยูอ่นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเสริมสร้างกันก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะถ้าเรามีความเชื่อมั่นแล้วความภาคเพียนมันจะมาเองมันจะมีกําลังใจที่จะพยายามปฏิบัติ เพื่อให้ได้ไปถึงพระนิพพานเหมือนกับถ้าเราไปทํางานแล้วเรายังไม่เคยได้รับเงินเดือนจากงานที่เราไปทําเราจะไม่มีกํำลังใจเราไม่จะไม่มั่นใจว่าทํางานแล้วสิ้นเดือนนี้เขาจะให้เงินเดือนเราหรือเปล่าแต่พอถึงสิ้นเดือนเนี่ยแล้วพอเงินเดือนออกเนี่รู้แล้วว่าทํางานแล้วได้เงินเดือน เราก็จะมีความกยันที่จะไปทำงานอยู่เรื่อยๆเพราะเรารู้แล้วว่าทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้รับเงินเดือนแต่ถ้าทำไปแล้วสิ้นเดือนเงินเดือนก็ยังไม่ออกถ้าอย่างนี้เราก็จะไม่มีกำลังใจที่จะทำฉะนั้นใดเราต้องมีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้ว เราจะได้รับผลอย่างแน่นอนและผู้ที่จะมายืนยันได้ก็มีอยู่สองแหล่งก็คือพระไตรปิฎกกับพระอริยบุคคลต่างๆพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะได้กําลังใจเราก็ต้องเข้าหาแหล่งทั้งสองแหล่งนี้เพื่อเติมกําลังใจให้กับเรา อเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังทำได้รู้จักวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้เราได้ไปถึงพระนิพพานเราก็จะได้มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติทำที่จะทําให้เราไปถึงพรนิพพานนี้ก็มีแค่สามข้อนี้เองก็มีสติสมาธิและปัญญาแต่การที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาได้ เราก็จำเป็นจะต้องมีศีลก่อนเพราะถ้าเราไม่มีศีลเราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญานั่นเองศีลที่กล่าวถึงนี้ก็คือศีลแปดถ้าเราไม่มีศีลแปดเราก็จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นจะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญศีลสมาจเจริญสติสมาธิปัญญา แต่ถ้าเราถือศีลแปดกันเราก็จะไม่มีเราก็จะมีเวลาเพราะเราจะงดงดเว้นกิจกรรมต่างๆคือการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองถ้าเราอยากจะไปนิพพานเราต้องเลิกหาความสุขทางร่างกายแล้วมาหาความสุขทางใจกันพระนิพพานก็คือความสุขทางใจนั่นเอง เราจะไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายควบคู่กับการหาความสุขทางใจได้เพราะมันไปกันคนละทางนั่นเองความสุขทางใจไปทางหนึ่งความสุขทางร่างกายไปอีกทางหนึ่งถ้าเรายังอยากจะหาความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่สามารถไปหาความสุขทางใจไปสู่พระนิพพานได้ถ้าเราอยากจะมีความสุข ได้ความสุขทางใจอยากได้พระนิพพานเราก็ต้องงดการหาความสุขทางร่างกายนี่คือหน้าที่ของศีลแปดมาให้เราระ ง, งับการหาความสุขทางร่างกายกันศีลข้อสามก็คือละเว้นจากการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราถ้ามีสามีมีภรรยาก็ ต้องขอละงับต้องคุยกันให้เข้าใจว่าการหาความสุขแบบนี้เป็นการหาความสุขชั่วคราวและจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อไม่สามารถหาได้เมื่อถึงเวลาที่ต้องพัดภาคจากกันไปคนเราไม่ได้อยู่ไปด้วยกันตลอดจะต้องมีวันที่จะต้องพัดภาคจากกันไปถ้าเรา หาความสุขจากบุคคลคือคู่กองของเราต่อไปเวลาที่คู่กองของเราจากเราไปเราก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แล้วเราก็จะเกิดความเศร้าเกิดความเหงาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาดังนั้นถ้าเราเห็นโทษของการหาความสุขทางร่างกายเราก็จะได้มีกําลังใจที่จะ ยุติการหาความสุขทางร่างกายได้ยุติการหาความสุขด้วยการถือศีล8ศีลข้อสก็ละเว้นจากการหาความสุขจากการลุ่มหลับนอนกับคู่ครองของเราแล้วก็สือศีลข้อ6คือละเว้นจากการหาความสุขจากการรับประทานจากการดื่มอะไรต่างๆแบบไม่มีขอบไม่มีเขตคือรับประทาน ตามความอยากเดิ่มตามความอยากจะต้องมีขอบมีเกณฑ์ดื่มและรับประทานได้แต่ดื่มเพื่อร่างกายรับประทานเพื่อร่างกายไม่ได้รับประทานไม่ได้ดื่มตามความอยากถ้าจะดื่มหรือรับประทานตามร่างเพื่อร่างกายก็รับประทานเป็นเวลาไปวันละครั้งสองครั้งก็พอเพียงรับประทานหนึ่งครั้งก็ได้หรือสองครั้งก็ได้ แต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการรับประทานกับการดื่มอะไรต่างๆเราจะได้มีเวลาไปเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองเช่นเดียวกับการร่วมหลับนอนกันถ้าเราร่วมหลับนอนกันเวลาที่เราจะเอาไปเจริญสติสมาธิปัญญาก็หมดไป ก็จะต้องเอาเวลามาร่วมหลับนอนกันและหลับนอนก็นอนบนฟูกหนาๆบนเตียงใหญ่ๆจะทําให้นอนมากนอนมากกว่าความต้องการของร่างกายเราก็เลยต้องถือศีลข้อที่แปดไม่นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆ น, นอนบนพื้นนอนปูด้วยผ้าหรือด้วยเสือ่อถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี้ มันจะนอนไม่นานพอร่างกายได้พักผ่อนพอเพียงตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกหนาๆ น, นั่นเองถ้านอนบนฟูกหนาๆเวลาตื่นขึ้นมาก็ยังไม่ยอมลุกเพราะมันสบายก็จะหลับต่อเองก็จะทำให้สูญเสียเวลาอันมีค่าที่จะได้เอานํามาสร้างความสุขทางใจคือ มาสร้างสติสมาธิปัญญานั่นเองเราสีลข้อที่เจ็ดก็คือการไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจากการไปดูภาพยนตร์ไปฟังเพลงไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือการเสริมสวยความงามทางร่างกายการกระทำเหล่านี้จะทำให้เวลาหมดไป จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิและปัญญาจะทำให้เราไม่สามารถไปปลีกวิเวกได้เพราะการที่จะเจริญศีลสมาธิปัญญานี้ต้องไปอยู่ที่เงียบสงบตามป่าตามเขาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาเพื่อที่จะได้มีสถานที่ที่เอื้อต่อการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเอง อังนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้กล่าวถึงศีลศีลก็มีความจําเป็นที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่บําเพ็ญจะได้มีเวลาไปบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่ถ้าถือถือเพียงศีลห้านี้ศีลห้าไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามให้ให้หลับร่วมหลับนอนกันยังร่วมหลับนอนได้ถ้าถือศีลห้าไม่ได้ห้ามให้รับประทานอาหารตามความอยาก จะรับประทานกี่ครั้งกี่มือ้อก็รับประทานได้จะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปได้ดูหนังฟังเพลงก็ไปได้จะนอนบนผูหน้หนาๆบนเตียงใหญ่ๆก็ทําได้สําหรับผู้ที่ถือศีหน้าศีหน้าจึงไม่พอต่อการที่จะไปสนับสนุนการเจริญสติสมาธิและปัญญานั่นเองผู้ที่จ ะ, จะเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อ บรรลุให้ถึงพระนิพพานจึงจำเป็นจะต้องถือศีลแปดกันต้องถือศีลแปดแล้วก็ต้องปีกวิเวกต้องไปอยู่ห่างกายจากบุคคลต่างๆไปอยู่คนเดียวไม่คุกคีกันถึงแม้อาจจะไปอยู่ที่เดียวกันจะมาพบกันก็เฉพาะเวลาที่ทากิจกิจกรรมร่วมกันเช่นเวลามาช่วยกันทำความสะอาด หรือมารับประทานอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เท่านั้นแต่พอไม่มีกิจกรรมแล้วก็ให้ปีกวิเวกให้แยกกันอยู่คนละทิศคนละทางเพราะถ้ามาคุกคีกันแล้วเดี๋ยวก็จะทำใหไ้ไม่สามารถเจริญสติได้การเจริญสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อหยุดความคิดนี้จาเป็นต้องไปอยู่ที่เงียบๆอยู่ที่ไม่มีใครมาลบกวนใจ ไม่มีใครมาชวนพูดชวนคุยด้วยเพราะถ้ามีมการพูดกันคุยกันมันก็ต้องมีความคิดปรุงแต่งกันเมื่อมีการคิดปรุงแต่งก็จะทำให้ใจสงบไม่ได้จึงต้องไม่คลุกคลีกันด้วยต้องแยกกันอยู่ต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่กันไปแล้วก็จเจริญสติเป็นหลักการปฏิบัตินี้ สิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการเจริญสติ <Yeah. S 1> การเจริญสติก็เป็นเหมือนกับเด็กที่ยังเดินที่ยังวิ่งไม่ได้ยังเดินไม่ได้ยังคลานอยู่สิ่งที่เด็กจะต้องหัดทำไม่ได้ก็คือต้องหัดยืนให้ได้ก่อนถ้ายังยืนไม่ได้ก็จะเดินไม่ได้จะวิ่งไม่ได้ถ้ายังไม่มีสติก็จะนั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิใจก็ไม่สงบแล้วถ้าใจ ไม่สงบก็จะพิจารณาปัญญาไม่ได้จะไม่สามารถเห็นความจริงได้ถ้าใจไม่สงบอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกับการหัดยืนหัดเดินหัดวิ่งนั่นเองก่อนที่จะวิ่งก็ต้องหัดเดินให้ได้ก่อนก่อนที่จะเดินก็ต้องหัดยืนให้ได้ก่อนตอนนี้จิตของผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้เป็นเหมือนเด็กที่ยังกาลังคลานอยู่ ยังยืนไม่เป็นยังเดินไม่เป็นยังวิ่งไม่เป็นถ้าวิ่งไม่เป็นก็จะวิ่งไปถึงวิ่งมาละทอนเพื่อเอารางวัลก็ยังทำไม่ได้จะต้องหัดยืนให้ได้ก่อนจิตของผู้ที่เริ่มปฏิบัตินี้ยังล้มลุกคลุกคานอยู่ยังไม่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันยังลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆคิดได้ทั้งวันทั้งคืน คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องนี้ถ้าปล่อยให้คิดเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่หยุดคิดเมื่อมันไม่หยุดคิดมันก็จะสงบไม่ได้เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้เป็นเอกขัตตารล์ขึ้นมาเป็นหนึ่งไม่ได้สักแตา่วารู้ไม่ได้เป็นอุเบกขาไม่ได้เป็นนัตติสันติปารังสุขขังไม่ได้เป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงไม่ได้ ถ้าไม่มีสติดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานเพราะมีศรัทธามีความเพียรแล้วสิ่งที่ต้องทําต้องเพียรก็คือเพียรเจริญสติการเจริญสตินี้ต้องเจริญตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมายกเว้นเวลาหลับเท่านั้นที่เราจะไม่ได้เจริญสติต้องเจริญตั้งแต่ลืมตาขึ้นมา ต้องหยุดความคิดตั้งแต่มันจะเริ่มคิดเลยพอตื่นขึ้นมามันเริ่มคิดก็หยุดมันถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อย่าให้มันคิดถ้าจำเป็นจริงๆก็คิดได้เช่นตนื่นขึ้นมาก็คิดว่าวันนี้ต้องไปทำอะไรบ้างแต่ถ้าเราไปปฏิบัติทำก็ไม่ต้องมีอะไรทำถ้าเราปฏิบัติทำสิ่งที่เราต้องทาก็คือดูแลร่างกายเราเท่านั้นเอง ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําห้องท่าอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ไปเตรียมรับประทานอาหาร mm. พอรับประทานอาหารเสร็จทีนี้ก็เดินจงกลมนั่งสมาธิเพื่อเจริญสติกันขณะที่เตรียมตัวเราก็ต้องเจริญสติอย่าปล่อยให้คิดในขณะที่เราล้างหน้าแปรงฟัน mm. อาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัว mm. ก็ให้มีอะไรควบคุมความคิดไว้อย่าปล่อยให้คิด จะใช้คำบิกรรมพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอจะลุกขึ้นจากเตียงก็ลุกขึ้นจากที่นอนก็พุทธโธพุทธโธไปเลยเพื่อความปลอดภัยถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าเราจะผลอคิดหรือไม่เราก็พยายามหัดท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปไปอาบน้ำอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันก็พุทธโธพุทธโธไปถ้าเรามีสติ มีกำลังมากพอที่สามารถจะบังคับให้ใจอยู่กับการทำงานของร่างกายได้เราก็ไม่ต้องพุทโถก็ได้เช่นอาบน้ำเราก็อยู่กับอาบน้ำล้างหน้าเราก็ล้างหน้าอยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันก็แปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวก็อยู่กับการกระทําเหล่านี้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ ใช้การเฝ้าดูล่างกายเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกายก็เป็นการเจริญสติควบคุมความคิดข้อสำคัญก็คืออย่าอย่าให้คิดเท่านั้นเองให้รู้แต่อย่าให้คิดใจนี้มีสองส่วนมีส่วนที่รู้กับส่วนที่คิดส่วนที่รู้นี้ไม่เป็นปัญหาอะไรส่วนที่เป็นปัญหาก็คือส่วนที่คิดพอคิดแล้วจะทำให้ไม่สงบนั่นเอง ถ้าต้องการความสงบต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเราก็จะต้องหยุดคิดทําไมเราต้องการความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะถ้าเราไม่มีความสุขเราก็จะปฏิบัติธรรมไม่ได้เราก็จะดิ้นไปหาความสุขที่เราเคยหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ความสุขจากการไปรับประทานอาหารตามสถานที่ต่างๆรับประทานตามความอยาก การไปเที่ยวนี่เป็นความสุขที่เราเคยหากันแต่ตอนนี้เราอยากจะไปพระนิพพานกันถ้าเราอยากจะไปพระ น, นิพพานเราต้องหาความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้ก่อนถ้าเราไม่ได้ความสงบได้ความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะสู้ไม่ไหวใจเราจะโหยจะหิวกับความสุขงั้นขั้นเบื้องต้นเราจึงต้องทำใจให้สงบให้ได้ก่อน เพื่อให้มีความสุขหล่อเลี้ยงจิตใจเพจื่อจะได้ต้านความอยากที่จะไปหาความสุขในรูปแบบเดิมที่เราเคยหามานนการจะทำให้ใจสงบได้ให้มีความสุขได้ก็ต้องมีสตินั่นเอ ง, งาการเจริญสตินี้จึงเป็นกุญแจดอกสาคัญในการที่จะพาให้เราไปสู่พระ น, นิพพานถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่มีสมาธิ ไม่มีสมาธิก็จะไม่มีกำลังที่จะเอาปัญญาที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้ามาใช้ในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่ขวางกัน้นการเดินทางของเราให้ไปสู่พระนิพพานคือกิเลสตัณหาทั้งหลายนั่นเองดังนั้นเหมือนกับกุญแจรถยนต์การที่เราจะขับรถไปไหนมาไหนได้นี้เราต้องมีกุญแจ ถ้าเราลืมกุญแจไว้ที่ไหนหาไม่เจอเนี่ยจบไปไม่ได้รถก็ต้องจอดอยู่กับที่จนกว่าเราจะสามารถหากุญแจมาสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถไปได้ฉังน้ใจใจของเรานี้จะไปสู่พระนิพพานได้ก็จะต้องมีสติเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะสตาร์ทรถยนต์คือสตาร์ทเครื่องยนต์คือสมาธิและปัญญา เพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนจิตใจให้ไปถึงพระนิพพานได้ดังนั้นขอให้เราเห็นความสาคัญของสติในการปฏิบัตินี้ไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับสติสมาธิจะวิเศษขนาดไหนปัญญาจะเลิศขนาดไหนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาของการามีสมาธิมีมีปัญญาต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิจิตก็จะไม่สงบ จิตก็จะฟงจิตก็จะปรุงแต่งคิดนั่นคิดนี่หรือไม่เช่นนั้นก็สร้างภาพอะไรต่างๆมาหลอก mm hmm. เวลานั่งสมาธิแล้วไม่มีสติคอยกำกับใจอาจจะมีตอนเริ่มต้นพุทโทพุทโทอยู่สองสามคำแล้วก็หยุดพุทโธแล้วก็ปล่อยให้จิตไม่มีอะไรควบคุมเดี๋ยวจิตมันก็ผลิตดิมิตมีภาพอะไรมาหลอกมาหลอน เมื่อแสงมีแสงมีสีมีอะไรต่างๆมาหลอกมาหลอนมาให้คิดว่านี่กําลังนั่งสมาธิซึ่งความจริงไม่ได้นั่งสมาธิหรอกนั่งหลอกตัวเองนั่งสร้างภาพหลอกตัวเองโดยรนุสึกตัวและดีไม่ดีถ้าไม่มีปัญญาก็อาจจะเป็นบ้าไปกับภาพเหล่านั้นก็ได้จะหลงไปกับภาพเหล่านั้นจะไปคิดว่าตอนเองได้เป็นนั่นเป็นนี่ได้บรรลุเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเองบรรลุด้วยความคิดไม่ได้บรรลุด้วย ความจริงนี้มักจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติที่ไม่มีครูบาอาจารย์ที่สอนอย่างถูกต้องที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนในเรื่องของความสำคัญของสติปล่อยให้นั่งแล้วก็ให้ดูจิตไปดูไปแล้วจิตมันก็สร้างภาพมาหลอกมาหลอนแล้วก็คิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเป็นพระขั้นนูน้นพระขั้นนี้ขึ้นมา เป็นสวรรค์ชั้นนูน้นสวรรค์ชั้นนี้ขึ้นมาความจริงเป็นภาพลวงที่จิตสร้างขึ้นมาหลอกแล้วก็ความโง่เขาก็ไปเหมาว่าเป็นนู้นเป็นนี่ขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ดีไม่ดีก็อาจจะเสียสติกลายเป็นคนบ้าไปได้หรือหลงทางคิดว่าได้บรรลุแล้วก็ไปตั้งตนเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนอื่นต่อพายคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องก็ต้องหลงหลงไปกับเขาด้วย อันนี้คือการนั่งแบบไม่มีสติยังนั้นอย่าไปกังวลกับการนั่งสมาธิถ้าเรายังไม่มีสติพยายามฝึกสติสร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนแล้วก็นั่งถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็ไปเร้าเจริญสติเพิ่มมากขึ้นให้มากขึ้นไปเรื่อยๆในทุกอิริยาบถของการเคลื่อนไหวอย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งคอยควบคุมคอยระ ง, งับความคิดปรุงแต่ง ให้ใจมีอะไรเป็นเครื่องกำกับให้มีคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้มีการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปเช่นเวลาเดินจงกรมก็ให้พุทโธไปก็ได้เดินไปก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่พุทโธก็จะดูการก้าวของเท้าก็ได้ เนก้าวเท้าซ้ายก็ว่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็ว่าขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาไปให้มีอะไรคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดอย่าปล่อยให้คิดถ้าเราควบคุมได้แสดงว่าเรามีสตินะพอเรามีสติเวลานั่งเราก็จะให้มันอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ถ้าเรามีสติมันก็จะไม่ไปที่อื่น ถ้าให้อยู่กับพุทธโธมันก็จะพุทธโธไปเพียงอย่างเดียวถ้าให้ดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะดูลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวแล้วถ้ามันไม่ไปไหนเดี๋ยวมันก็จะดึงจิตให้เข้าสู่ความสงบจิตก็จะดิ่งวุบลงไปเหมือนตกหลุมตกบา่าวบอ่อแล้วก็สงบนิ่งเย็นสบายเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจ สักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเฉยเฉยเฉยเฉยแบบมีความสุขไม่เฉยเฉยแบบฝืนเฉยเฉยแบบฝืนแบบที่เราหัดเฉยกันนี่เป็นเฉยเฉยเฉยเฉยแบบฝืนใครด่าเราก็พยายามเฉยเฉยแต่ในใจนี่ดิน้นใจไม่ยอมเฉยเฉยเพราะเราพยายาม ควบคุมบังคับให้มันเฉยอย่างนี้ยังไม่ใช่เฉยจริงเฉยจริงไม่ต้องควบคุมบังคับมันจะเฉยของมันใครด่ามันก็จะเฉยใครชมมันก็จะเฉยนี่เืออุเบกขาจริงพอเราได้ถึงจุดนี้แล้วก็พยายามทําให้มันอยู่อย่างนั้นให้นานๆยิ่งนานเท่าไหร่ใจเราจะมีกําลังเฉยให้ได้มากขึ้นเวลาออกจากสมาธิมันจะเฉยได้นาน เหมือนกับเวลาที่เราเอาน้ําไปแช่ในตู้เย็นถ้าเราแช่เดี๋ยวเดีย ว, เ, ยวเวลาออกมาจากตู้เย็นมันก็จะเย็นเดี๋ยวเดียวแต่ถ้าเราแช่นานๆแช่จะกระทั่งเป็นน้ําแข็งเลยเวลาเอามาจากตู้เย็นนี้เราก็จ ะ, ะมันก็จะเย็นอยู่ได้นานกว่ามันจะหายเย็ น, นยการที่เราจะต้องมีใจที่เย็นใจที่เป็นอุเบกขาก็เพราะว่าถ้าเราจะสู้กับกุปสัต คือกิเลตัณหาที่จะมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นพันิพา น, น์นี้เราจะต้องมีอุเบกขาสู้กับมันแล้วก็มีปัญญาเป็นผู้บอกเหตุผลว่าทำไมเราต้องสู้กับกิเลสทำไมเราต้องไม่ทําตามความอยากเพราะการทําตามความอยากจะพาให้เราไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้พาเราไปสู่พันิพาน์การจะไปสู่พันธิพาน์นี้ ต้องไม่กัดไม่ทำตามความอยากต้องลดละต้องกำจัดความอยากทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปความอยากทั้งหลายมันจะหมดไปได้ก็อยู่ที่เราฝืนไม่ทำตามความอยากการที่เราจะฝืนอย่างไม่รู้สึกทุลนทุลายไม่รู้สึกเดือดร้อนก็คือเราต้องมีอุเบกขานั่นเองนั่นแหละทำไมเราจึงต้องอยู่ในสมาธิให้นานฝึกสมาธิให้มากก่อน ก่อนที่เราจะออกไปทางปัญญาในขณะที่เราเริ่มได้สมาธิใหม่ๆอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรเวลาจิตสงบเป็นอุเบกขาแล้วพยายามใช้สติประครับประคองให้จิตอยู่ในอุเบกขาไปนานๆเวลาจิตจะออกมาก็อย่าถ้าควบคุมบังคับให้มันกลับเข้าไปได้ก็ควบคุมบังคับให้มันกลับเข้าไปใหม่ ใช้สติผักมันกลับเข้าไปใหม่ใช้พุทโธพุทโธผักมันเข้าไปใหม่ถ้ามันอยากจะออกก็อยากเพิ่งให้มันออกจนกว่าเราสู้มันไม่ไหวแล้วเราก็ปล่อยมันออกมาแล้วออกมาเราก็อยากเพิ่งไปพิจารณาทางปัญญาเพราะถ้าไปทางปัญญามันจะต้องใช้ความคิดเราต้องการควบคุมความคิดเพื่อให้จิตเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วได้นานนั้นเวลาออกมาจากสมาธิ ที่เป็นที่เราพึ่งได้ครั้งแรกอย่าพึ่งไปทางปัญญาออกมาก็ควบคุมความคิดต่อเหมือนตอนที่เรายังไม่ได้สมาธิแล้วก็ควบคุมความคิดไปต่อแล้วก็พอถึงเวลาเรานั่งสมาธิได้ก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิใหม่ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเข้าได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและสมาธิที่เราได้ไม่ไม่เสื่อมอเพราะเราสามารถรักษามันได้ด้วยสติ เวลาที่เราออกมาจากสมาธิถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราชำนาญทางสมาธิแล้วเราถึงค่อยไปทางปัญญาต่อไปหลังจากที่เราได้ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆแล้วพอออกมาก็ไปพิจารณาทางปัญญาเราอาจจะพิจารณาได้ไม่นานเพราะหนึ่งกำลังของอุเบกขาที่จะให้ใจไปทางปัญญานี้มีน้อยพอไปได้ครึ่งทาง ไปได้ไม่นานเดี๋ยวใจก็เถลไถลไปคิดทางโลกแทนไปคิดทางเรื่องของกิเลสแทนโดยไม่รู้สึกตัวแล้วพอไปแล้วก็หยุดมันไม่ได้เพราะปล่อยให้มันคิดมันก็เลยคิดไปเผลอสติยังคิดว่ากําลังเจริญปัญญาอยู่ทั้งๆ ท, ที่กําลังคิดฟุ้งซ่านอยู่นั่นอันนี้จึงเป็นสาเหตุที่เราอย่าเพิ่งไปรีบร้อนไปทางปัญญา พยายามควบคุมความคิดให้จนทั้งเรามีความชํานาญสามารถหยุดความคิดได้ทุกเวลาที่เราต้องการอะดังนั้นถ้าเราทําได้แล้วทีนี้เราค่อยไปทางปัญญาพรเวลาเราไปทางปัญญาถ้าเราเผลอไปเผลอสติมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็จะได้หยุดมันได้ถ้าเรามีความชนานาญในการหยุดความคิดเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่หลงทาง นี่คือความสำคัญของสมาธิที่เราจะต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้เป็นมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นก่อนมีความชำนาญก่อนแล้วเราก็ออกไปทางปัญญาถ้าเรามีสมาธิที่มั่นคงนี้พอเราใช้ปัญญามาระ ง, งับกิเลสตันหาความอยากต่างๆเราก็จะระ ง, งับได้อย่างง่ายได้เพราะเรามีกำลังของอุเบกขามาก พอรู้ว่าความอยากนี้ไม่ดีก็อย่าไปทำมันทำแล้วทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาทำให้เกิดความทุกข์เกิดการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาก็อย่าไปทำมันพอมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็หยุดมันพอมีความอยากมีอยากเป็นก็หยุดมันพอมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็หยุดมันเช่นเวลาแก่ก็อยากไม่แก่ก็ต้องหยุดมัน เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากหายก็ต้องหยุดมันเวลาจะตายจะจะมีความอยากไม่ตายก็ต้องหยุดมันถ้าทําไม่หยุดแล้วมันจะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจแล้วมันก็จะเป็นตัวที่พาให้ไปเกิดใหม่อีกแต่ถ้าหยุดมันได้ใจเป็นอุเบกขาเฉยๆสักแต่ว่ารู้ไปตามความเป็นจริง มันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่มันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ปล่อยมันตายใจก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่ร่างกายนี้ตายไปก็ถือว่าจบไม่เอาอีกแล้วนี้ก็คือเรื่องของการเจริญธรรมที่เป็นน้ํามันที่เป็นกําลังของใจห้าประการด้วยกันคือศรัทธาวิริยะ สติสมาธิและปัญญาเกิดจากการที่เรามาวัดกันมาหรือไปวัดกันไปหาพระที่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้ยินได้ฟังธรรมที่แท้จริงธรรมที่จะยืนยันให้เรามีความมั่นใจว่าธรรมของพระพุทธเจ้านี้ไม่สูญเปล่าการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะทำผู้นำผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างแน่นอนพาไปสู่พระนิพพานได้อย่างแน่นอนพอเรามีศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาคเพียรก็จะตามมาเราก็จะเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาจนเราได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องไปที่เราต้องการนี่คือเรื่องของการเติมน้ำมันให้แก่ใจ คือเติมศรัทธาเติมวิริยะเจิมสติเติมสมาธิและเติมปัญญาด้วยการไปวัดมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนการแสดงก็เลยคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พ่อนยัถาวาริกวะหาปุราปาริกปุเรนติสากหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทมนาหราโสยัตถามณิโชติ อราโสยะถาสพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวาอภิวัตนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมวทานติอายุวนโอสุขัง ลำ ด, ดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในตอนนี้เลยเพราะจะไม่ให้ถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วถ้าไม่อยากจะถามด้วยตัวเองก็เขียนใส่กระดาษมาให้พิธีกรอ่านให้ฟังก็ได้วันนี้ทาง บ้านทาง Facebook, YouTube ติดตามกันเท่าไหร่ f a c e b o o สามร้อยเจ็ดสิบห้าคน y o u t u ร้อยยี่สิบหกคนวิทยุออนไลน์สิบแปดคนผู้ร้บฟังบนเขาเก้าสิบหกคนรวมทั้งหมดหกร้อยสิบห้าคนคราาับอาจารย์มีคำถามไหมอเอาเลยคำถามจากทาง Facebook ค่ะจากคุณเทวิชา จะเรียนถามว่าถ้าเราประคองจิตเป็นอุเบกขาไม่ให้เกิดความคิดเรียกว่าเราจเจริญสติใช่ไหมคะและถือว่าเป็นการภาวนาได้หรือเปล่าคะก็เป็นการภาวนาเราเริ่มการเจริญสตินี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาแต่ยังไม่ได้สมถะภาวนาคือกําลังเจริญเหตุคือสติจะได้สมถะภาวนาต้องนั่งแล้วจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ เป็นอูเบคขาขึ้นมาถึางเรียกว่าเป็นสมถาภาวนาเป็นสมาธิคำถามจากคุณประนอมค่ะกล่าวเป็นสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าบางคนที่เขามีความรู้สึกเป็นทุกข์จิตใจไม่สบายและได้มีการขออธิษฐานจิตขอโน่นนี่นั่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรังของขรังต่างๆถือว่าผิดหรือไม่คะพระอาจารย์ ผิดมันไม่ผิดหรอกแต่มันไม่ได้เป็นความจริงนั่นเองถ้าขอได้ก็ไม่ต้องทําอะไรนั่งขอกันทุกวันที่มันขอแล้วมันไม่ได้อเวลาที่มันได้มันก็เป็นเวลาที่มันจะได้มันไม่ต้องขอมันก็ได้เหมือนฝนเนี่ยลองขอมันตกวันนี้มันไม่ตกหรอกถึงเวลามันจะตกขอหรือไม่ขอมันก็ตกอยู่ดีเรื่องของต่างๆที่เราอยากได้มันมีเหตุที่ทําให้เกิด เราต้องไปทำเหตุนั้นแล้วมันก็จะเกิดอยากได้เงินก็ไปคะไปทำงานไปหาเงินเดี๋ยวก็ได้เงินมาอันนี้ไม่ใช่นั่งขอขอให้ได้เงินอาจจะโชคดีอาจจะฟลุกมีคนคิดถึงเราส่งเงินมาให้เราอันนีอ้อาจจะไปคิดว่ามันเกิดจากการขอของเราก็ได้แต่มันถือว่าเป็นเรื่องของความบังเอิญมากกว่าอ่าไม่ถามถามได้นวัตสการ์ครับอาจารย์ ะจะเรียนถามเรื่องนิพานครับพระอาจารย์อหลังจากที่เรานิพานไปแล้วเนี่ยจิตของเรามีอยู่หรือไม่ครับหากจิตของเรายังมีอยู่จิตตั้งอาศัยอยู่อย่างไรครับก็จิตนนี้เหรอเป็นนิพานจิตนี้เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่เราใส่นจิตของเสื้อผ้าเวลาเราไปใส่นี่มันสกรปรกไหมแล้วก็ไปซักใช่ไหมเวลาซักเสื้อผ้ามันซกคราบสกรปรกหายไปเสื้อผ้าหายไปด้วยปะ ไม่ได้ค่จิตเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าจิตของเรามันสกรปรกด้วยกิเลสตัณหามันจึงทําให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันพอเราไปปฏิบัติธรรมสักพอกจิตเอากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจิตก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่กิเลสตัณหาตัวที่พาเรามาเวียนว่ายตายเกิดมันหมดไปเราเลยไม่มีร่างกายกต่อไปเท่านั้นเองจิตของพระุทธเจ้าไม่มีร่างกายเพราะท่านไม่มีกิเลสพาให้มา มาเกิดมามีร่างกายจิตของพวกเรายัางมีกิเลสอยู่มันก็เลยพายเรากลับมามีร่างกายอย่เรื่อยๆ ร, ร่างกายนี้หมดเดี๋ยวก็มีร่างกายอันใหม่เกิดอยู่เรื่อยๆเกิดแล้วก็มาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นเองอจิตยังอยู่เท่าเดิมเหมือนเดิมจะน้อยลงไปก็คือกิเลสอันหาหายไปคาบสุขภกกิเลสเครื่องเศร้าหมอง หายไปกิเลสที่พายมาเกิดแก่เจ็บตายหายไปใจนะไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติแล้วถึงนี่ผ่านแล้วจะหายไปหมดยังปฏิบัติให้มันเหนื่อยทำไมถ้ามันจะหายหมดเไมเอาเสื้อผ้าไปซักแล้วมันหายใครอยากจะไปเอาไปซัก <c oughs> อ่ ะ, อะนะอนน้เน่ยไปร้านซักลีก็รับรับซักเสื้อผ้าของเราซักก็หายไปหมดเลยอย่างเงี้ย แล้วต้องจ่ายเงินให้เขาเองนี่คุณจะยอมจ่ายไหมใช่ไหมคนรู้ว่าเอาเสื้อผ้าไปซักเราได้เสื้อผ้าที่สะอาดกลับมาคุณ ย, ยินดีที่จะยอมเสียเงินจ่ายเข้าไปอันนี้ก็เหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็เป็นการซักพ่อจิตไม่ได้เป็นการทําลายจิตซักพ่อจิตจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากข้าวสกรปรกเครือกเกลเอตตันหาที่เป็นตัวพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดกันเท่านั้นเองอ นิพพานนี่อยู่ในอัปปนาไมครับไม่นิพพานนีอ่อยู่ในจิตปกตินี่แหละเวลาเกิดกิลเลสก็เราก็ตัดมันหยุดมันเวลาอยากดื่มกาแฟก็ไม่ดื่ม อ, อยากจะกินเหล้าก็ไม่กินอยากจะไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากจะนอนกาแฟนก็ไม่นอนตัดมันไปเรื่อยๆพอตัดไปต่อ ไ, ไปมันก็หายหมดเหมือนกับเราเลิกบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบเดี๋ยวต่อไปความอยากสูบบุหรี่มันก็หมดไป เวลาอยากกินเหล้าไม่กินเหล้าเดี๋ยวความอยากกินเหล้าก็หมดไปต้อนตัดตอนที่ออกมาจากสมาธิอย่างนี้สมาธิตัดไม่ได้สมาธิกิเลสมันถูกกดเอาไว้มันไม่ตายแต่มันถูกกดเอาไว้ต้องให้มันโผล่ขึ้นมาแล้วสู้กับมันเหมือนเวลาชคมันน็อกนับแปดนี่ตอนที่มันน้มนี่ไปต่อยมันไม่ได้ต้องรอให้มันลุกขึ้นมาก่อนพอมันลุกขึ้นมาล้วก็พิชิตมันเลยตอนต้นงอมันน็อก ตอนตอนตอนต้นก็เอามันนับแปดก่อนเวลานั่งสมาธิเหมือนกับการทําให้กิเลสมันนับแปดแล้วพอมันอ่อนกําลังพอมันออกจากสมาธิมามันไม่มีกําลังเหมือนก่อนพอมันลุกขึ้นมาจะฮึดสู้เราเราก็ยัดใส่มันด้วยปัญญามันก็น็อกเลยที่นี้ดี่นับสิบเลยกรรมการก็ชูมือให้เราเลย <laughs> นั่นแหละต้องทําตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ เดี๋ยวอำใหม่ไปอย่างนี้เวลาที่สังขารเราดับใกลๆหน่อยอย่างนี้เวลาที่เราตายครับอาจารย์จิตที่เป็นนิพพานก็เกิดเลยไม่เกิดไม่เกิดจิตมันไม่เกิดไม่ดับจิตมันมีอยู่ตลอดเวลานั่นเพียงแต่ไม่ม า, มามามีร่างกายเท่านั้นเองเหมือนกับเราขับรถเนี่ยเรามีรถเนี่ยพอรถคันเก่าพังถ้าเราอยากจะวิไปไหนมาไหนเราก็ต้องไปซื้อรถใหม่ แต่ถ้าเราไม่ไปไหนลนะขี้เกียจไปลนะไม่มีความอยากไปไหนไม่มีความอยากใช้รถคุณก็ไม่ต้องไปซื้อรถใหม่ร่างกายก็เป็นเหมือนรถที่จิตเราใช้ขับไปไหนมาไหนเพราะเรามีความอยากดูอยากฟังก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายพอเราตัดความอยากดูอยากฟังไปได้ก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไม่ต้องไปหาร่างกายใหม่เข้าใจไหมอ จิตอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกายดีกว่าเหมือนคนที่อยู่แบบไม่ต้องมีรถดีกว่าคนมีรถนี้ต้องเสียค่าประกันต้องเสียค่าซ่อมเสียค่าผ่อนเสียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดคนไม่มีรถก็สบายไม่ต้องใช้รถไม่ไปไหนละวขี้เกียจไปก็ก็คือว่าจิตก็ยังอยู่รับรู้ได้แต่ไม่มีสังขารใช่ไหมครับก็ไม่มีร่างกายติดต่อกันนะครับค่สารโาขออนุญาต ถามหนึ่งคำถามนะคะาจากคุณดวงใจค่ะรบกวนสอบถามค่ะเรื่องวิบากกรรมญาสืบทอดผีกระจากบรรพบรุษต่อมาได้ใช้วาจาหรือกนุบายใดยๆไม่ทราบให้หลานเป็นทายาทรับผีตนนี้ซึ่งหลานไม่รู้เรื่องกับเขาเลยแต่ตอนนี้หลานโดนผีเข้ามาอยู่ในร่างกินภายใน จะเอาผีออกได้อย่างไรดีเจ้าคะของความเมตตาพระอาจารย์เจ้าค่ะเ อ, อเราไม่เป็นหมอผีหรอก เ, ออ เ, รเราไม่รู้จักรักษาโรคผีหรอกเออรจาจักจะเอากิเลสออกอย่างเดียวถ้ามีกิเลสตัณหาในมหาที่นี่ได้ถามวิธีเอากิเลสตัณหาออกจากใจได้แต่เอาผีออกจากใจนี่ไม่เคยเรียนต้องสิน้น อ, อต้องไม่สามารถไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะไม่รู้จริงๆ อ, อื คำถามจากเฟ e บุ๊กค่ะคุณปนอมค่ะสำหรับผู้ที่เริ่มฝึกปฏิบัติใหม่ๆนั้นการเพิ่มกำลังในเรื่องของการศรัทธาและ ข, ขจัดความวุ่นวายใจต่างๆออกไปได้นั้นทุกเวลาทุกขณะจิตต้องพยายามบริกรรมพุทโธตลอดเวลาเลยใช่หรือไม่คะและบางครั้งการรู้สึกเหนื่อยท้อที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาธิได้สักที จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเจ้าคะก็อย่าไปอยากให้มันมากเกินความสามารถของเราที่เราท้อเพราะเราอยากอยากได้ในสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้ยังก็อย่าเพิ่งไปอยากในสิ่งที่เรายังทาไม่ได้ให้อยากในสิ่งที่เราทำได้ก็คือให้เราอยากเจริญสติไปก่อนอันนี้เราทำได้แต่เราไม่ทำกันถ้าเราไม่มีสติเราอยากได้สมาธิก็ไม่มีหวันได้ เพราะสมาธิมันต้องตามจากการมีสติอย่างนั้นให้เราอยากในสิ่งที่เราทำได้แล้วเราจะไม่ทอ้อพุโทโธพุโทโธนี่มันยากไหมคำว่าให้บริกรรมพุโทโธนี่มันยากไหมก็คอยเตือนบอกเขียนป้ายไว้เขียนไว้ติดไว้กับมือก็ได้พุโทโธหรือเปล่าพุโทโธหรือเปล่าถามตัวเองไปเรื่อยๆเพราะมันชอบลืมไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อยังต้องคอยเตือนใจว่าพุโทโธหรือเปล่าเอาเขียนไว้ อะไรเนี่ยเขียนเอาปากกาเขียนไว้ที่ลายมือที่ฝ่ามือเนี่ยแล้วคอยคอยแบบมาดูคอยเตือนตัวเองเลยพุทโธอยู่หรือเปล่านะพยายามทําแค่นี้แหละถ้าเรามีพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรานั่งสมาธิก็จะได้ผลเองคำถามจากคุณพีโก้จ้ะค่ะถ้าพิจารณาอารมณ์จนคิดได้ว่าเป็นการเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงการเกิดดับล้วพิจารณาต่อ ก็เข้าใจว่ามีเหตุให้เกิดไม่มีเหตุให้เกิดขอพระอาจารย์แนะนําต้องทําอย่างไรต่อครับต้องไปหยุดความอยากกับอารมณ์เหล่านั้นที่เราพิจารณาอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงเพื่อจะได้รู้ว่าบางทีอยากแล้วมันไม่ได้พอไม่ได้มันจะทุกข์หรือถ้าได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเพราะไม่เที่ยงที่พิจารณาความไม่เที่ยงนี้เพื่อให้เรามาหยุดความอยากเวลาเราอยากจะ ได้อารมณ์นั้นก็อยาาไปอยากมันคาถามจากทาง You Tube ค่ะจากคุณป๊อปเคกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับอยากสอบถามว่าถ้าเรานั่งเฉยเฉยไม่คิดอะไรปล่อยใจโล่งๆอย่างเดียวแบบนี้ถือว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ไหมครับไม่หรอกเพราะว่าเราปล่อยให้ใจลอยไปเรื่อยๆไม่มีสติคอยกำกับใจ คำถามจากคุณเดชาค่ะจากศินของภิกษุณีข้อที่ว่าขออภัยค่ะจากศินของภิกษุข้อที่ว่าภิกษุพึงเว้นข่ดจากการรับเงินทองหรือยินดีในเงินทองที่มีผู้เก็บไว้ไว้ให้แต่ปัจจุบันยังมีผู้นิยมถวายเงินให้กับพระภิกษุอยู่ประจำด้วยเหตุนี้จะเป็นเหตุให้พระภิกษุ ต้องอาบัติอยู่เนืองนิดหรือไม่ครับไม่หรอกก็พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ให้ยินดีก็คือใช้ใจเฉยๆไว้ใครเขาอยากจะทวารเงินก็ให้เขาฝากเก็บกับคนที่เราไว้ใจได้แล้วเวลาที่เราต้องการที่จะขาดอะไรขาดจีวรขาดของใช้ที่จําเป็นแล้วก็บอกเขาไปถ้าเราไม่ยินดีกับเงินทองนั้น เราบอกเขาแล้วสมมติว่าเขาบอกเสียใจเอาไปใช้หมดแล้วหมดก็หมดไปถ้าเราไม่ยินดีเราก็จะไม่เสียใจเสียดายกับเงินนั้นเพราะพระพุทธเจ้าไม่ให้เรายึดถือว่าเป็นเงินของเรายึดถือว่าเป็นเงินของผู้บริจาคเขาฝากคนที่เรารู้จักไว้เผื่อเราต้องการเขาไม่สะดวกที่จะเอามาให้เราเขาก็เลยฝากคนที่เราไว้ใจได้แต่ถ้าเกิดคนไว้ใจเรามันทรรยศเรา มันเอาเงินไปเที่ยวซะก่อนไปใช้ซะก่อนพอเราจะบอกให้ไปซื้อจีวรให้หรือซื้อยาให้มันบอกไม่มีไม่มีก็จบคือไม่ให้ยินดีไม่ให้ยึดครองในเงินนั้นเพราะถือว่าเป็นเงินของผู้ฝากไม่ใช่เงินของเราคำถามจะคุณมายคะ่ะก่าวเปยนถามพระอาจารย์ช่วยสอนทางปัญญาสอนใจไม่ให้โกรธคะ่ะมีเหตุการณ์ที่ผู้อื่นทาผิด เป็นเหตุให้เราได้รับความเดือดร้อนมีทําข้อคิดอย่างไรเพื่อให้เราไม่โกรธทั้งที่น่าโกรธเจ้าคะความโกรธเก็จากความอยากของเราเวลาเราอยากได้อะไรแล้วพอเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธะยั้นเราต้องดูว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้อสั่งให้เขาทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่เราเขาไม่ทําตามที่เราสั่งก็ได้ อย่าง้อย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ปล่อยเขาทำไปแล้วเตรียมรับกับผลที่เขาทำไปถ้ารู้ว่าเป็นผลไม่ดีต่อไปก็อ ย, ปอย่าไปอยู่ใกล้เขาก็แล้วกันคำถามจากคุณสุภจารค่ะกล่าวนมัสการพระอาจารย์ค่ะอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าการทำฟาร์มสุนัขแล้วเอาลูกสุนัขไปขายจะเป็นบาปไหมเจ้าคะ เรื่องสุนัขนี้เขาไม่เอาไปฆ่าเขาไม่บาปหรอกเพราะว่าสุนัขเขามักจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปใช้งานเช่นไปดมกลิ่นค้นหายาเสพติดดมกลิ่นห า, าคนที่หายไปอะไรทํานองนี้การเลี้ยงจัดที่เอาไปทําประโยชน์นี้ไม่ได้ไปฆ่านี้เป็นอาชีพที่ไม่บาปถึงแม้ว่าเข า, เาไปฆ่าเราทําก็ไม่บาปถ้าเราไม่เป็นคนสั่งให้เขาเปฆ่าหรือ คือฆ่าเองแต่เป็นการอาชีพที่ไม่เหมาะสมไม่ควรทำเช่นเราขายเป็ดขายไก่แต่เราไม่ได้เป็นคนฆ่าเป็ดฆ่าไก่แต่เรารู้ว่าเป็ดไก่ที่เราขายนี่เขาจะเอาไปฆ่าอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทำอาชีพแบบนี้เพราะเป็นการส่งเสริมให้มีการฆ่ากันคำถามจากทางยูทูบค่ะคุณ B. ีไนทค่ะอยากกล่าวเปียนถามว่าใจอยากอยู่เงียบๆภาวนา แต่ความจริงแล้วงานยุ่งมากและมีภารกิจเยอะควรจัดการอย่างไรคะก็พยายามลดภารกิจลงให้มันน้อยลงไปที่มันมากก็เพราะเราโลภมากนั่นเองอยากได้มากมันก็เลยภารกิจก็มากงั้นเราลองลดภารกิจการจะลดภารกิจได้ก็ต้องลดค่าใช้จ่ายลดความอยากใช้เงินให้มันน้อยลงเช่นถ้าเราเคยใช้เดือนละหมื่นก็ลองลดเหลือแค่ 5,000 ันดู เรารับรองว่าการหาเงินหาทองก็จะไม่ยุ่งยากเหมือนกับการหาเงินหมื่นต้องลดรายจ่ายเมื่อเราลดรายจ่ายได้เราก็ลดการหาเงินได้เราอาจจะทำงานเพียงครึ่งวันก็ได้ถ้าเราลดรายายรับจากหมื่นเดือห้าพันอย่างนี้เราก็ทำเพียงครึ่งวันเราก็จะมีเวลาว่างครึ่งวันแต่ถ้าเราหามากบางทีทํา ทำแปดชั่วโมงยังไม่พอยังทำโอทต่ออีกเนี่เพราะโลภมากอยากได้มากมันก็เลยต้องวุ่นวายมากขึ้นไปยั้งใช้เหตุใช้ผลพิจารณาดูว่าความโลภของเราเนี้มันจะพาให้เราต้องวุ่นวายมากขึ้นไปเร่อๆถ้าโลภน้อยมันก็วุ่นวายน้อยถ้าไม่โลภเลยก็ไม่วุ่นวายเลยอ่านแล้วเหอ อาจารย์หนูขออนุ ญ, ญาตนะคะก็คือจากอาทิตย์ที่แล้วค่ะได้ฟังทำพระอาจารย์ไปแล้วก็มันร้องไห้ออกมาค่ะก็เลยอยากจะถามว่าอาการนี้มันเป็นอาการแบบมลปุงแต่งหรือเปล่าคะหรือว่าอุปเกษาเราไม่พออะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันเป็นปฏิกิริยาของจิตที่มันมันมีความซาบซึ้งต่อสิ่งที่เราได้สัมผัสรับรูบ้แต่มันไม่เป็นความทุกข์เพราะเราไม่ได้ทุกข์กับมันเอ <c oughs> เขาจะเรียกว่าปิติก็ได้น้ำตาแห่งความสุขก็เรียกก็ได้ไหมน้ำตาแห่งความสุขมีคำถามเข้ามาจากทางเ c e b o o k ค่ะจากคุณบีค่ะถ้าขายอาหารที่ต้องใช้เนื้อหมูเนื้อไก่ซื้อครั้งละหลายกิโลการที่เราโทรไปสั่งจองไว้กับพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดจะบาปไหมเจ้าคะ มันก็ไม่แน่เพราะว่าถ้าถ้าเราไปสั่งแล้วเขาต้องไปฆ่าเพื่อมาให้เรามันก็บาปแต่ถ้าเขาซื้อมาขายอยู่แล้วตามปกติี้แล้วเราไปสั่งให้เขาเก็บส่วนที่ตายแล้วให้เรานี้มันก็ไม่บาปเน่มันอยู่ที่ว่าเราสั่งแล้วจะไปทําให้เขาต้องไปสั่งให้คนอื่นฆ่าเอาเนื้อมาให้เราโดยตรงหรือเปล่าถ้าเรา โทรไปถามที่ร้านเวลาเราต้องการว่าวันนี้มีหมูไหมมีก็เอาอย่างนี้มันแน่นอนกว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเราเขาฆ่าเพื่อมาขายใครอยากจะได้ก็ซื้อไปอย่างนี้เราก็ไม่ได้ไปสั่งให้เขาไปฆ่าให้กับเราคาถามจากคุณกุลวัฒน์ค่คะถ้าถ้าเกิดว่าเรามีความยินดีที่จะบวชพระแต่บิดามารดาไม่อนุญาตควรทำอย่างไรดีครับ อดข้าวเลยอยา ก, กินข้าวจนกว่าเบิดามัรดาจะอนุญาตถ้าไม่อนุญาตก็ยอมตายในสมัยพุทธกาลมีตัวอย่างแล้วอดไม่กี่วนันพ่อแม่ก็ยอมไม่มีพ่อแม่คนไหนใจดําใจไม้ไส้ละกรรมที่ปล่อยให้ลูกอดตายเพราะอยากจะบวชเพราะการบวชนี้เป็นการกระทําความดีดีที่สุดในโลกนี้เลยก็ว่าได้การกระทําอะไรต่างๆในโลกนี้ที่ว่าดีที่ว่าวิเศษเนียสู้การบวชไม่ได้ แต่พ่อแม่เขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าลูกของเรานี่กําลังจะเป็นพระอริยะจะเป็นพระผู้ประเสริฐเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าพ่อแม่เป็นคนที่ธรรมะธรรมพอรู้ว่าลูกัวช น, นี่จะน้ําตาไหลเลยจะดีใจจะปิติมีความสุขเพราะรู้ว่าลูกจะได้ไปนิพพานคําถามจากคุณธนุรักษค่ะถ้าเราไม่ได้ใส่บาตรตอนเช้า แต่เราทําบุญเวลากลางวันโดยการบริจาคเงินอันนี้สงฆ์จะต่างกันไหมครับไม่ต่างหรอกอันนี้สงฆ์เท่ากันถ้าปริมาณเงินที่เราทําเท่ากันตาใส่บาทร้อยบาทหรือว่าถวายของอย่างอื่นตอนบ่ายร้อยบาทก็ได้อันนี้สงฆ์เท่ากัน <c oughs> หมดแล้วนะอะ <c oughs> การทําบุญนี้ ผลที่เกิดกับเรานี้ไม่ได้อยู่ที่คนรับไม่ได้อยู่ที่เวลาที่เราทําอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของที่เราให้ไปเสียสละมากบุญก็มากเพราะความรู้สึกอิ่มใจสุขใจมันจะมากไ ม, ไม่เชื่อลองทําดูทำร้อยบาทก็ทํำพันบาทดูดูซิว่าอันไหนจะสุขใจจะอิ่มใจกว่ากันทําเวลาไหนก็ได้ทํากับใครก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราเรื่องบุญนี้มัน ที่สิ่งที่เกี่ยวกับเราก็คือเงินของเราที่เราเสียสละไปเท่านั้นเองส่วนผู้รับนี้เขาจะไปทําประโยชน์หรือไปทําทําคุณหรือทําโทษเนี่ยมันอยู่ที่ผู้รับถ้าเราไม่อยากจะให้เขาไปทําโทษเราก็อย่าไปให้คนที่เอาเงินของเราไปแล้วไปทําโทษเช่นให้เงินที่คนชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยพอเราให้เงินเขาไปเขาก็ไปซื้อเหล้ากิน แต่ถ้าเราเอาเงินไปให้เด็กที่ตั้งใจเรียนหนังสือขาดขาดคุณทรัพย์อยากจะไปเรียนพิเศษไม่มีเงินเรียนพิเศษเราก็ให้เงินเขาไปเรียนพิเศษอย่างนี้เขาก็ได้รับประโยชน์เขาก็ไปสร้างประโยชน์กับตัวเขาแล้วต่อสังคมต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของผู้รับไม่เกี่ยวกับเราแต่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าคนที่จะรับเงินของเรานี้เอาไปทาประโยชน์มากน้อยต่างกัน ถ้าคนเอาไปทำประโยชน์ทางธรรมนี้ประโยชน์มากที่สุดถ้าให้กับพระนี้ท่านเอาไปไปทาประโยชน์ทางธรรมท่านก็จะทําให้ส่งเสริมให้มีธรรมะอยู่ในโลกนี้ไปนานๆแต่ถ้าไปให้หมอหมอ ก, ก็จะไปทำเรื่องการแพทย์การพยาบาลไปประโยชน์มันก็มีแต่มันต่างกันเท่านั้นเองแต่การเสียงเงินทองปรมิมาณเท่ากันบุญที่เราได้เหมือนกันเข้าใจไหม บนญที่เราได้คือความรู้สึกในใจเรานี้เหมือนกันความอิ่มใจสุขใจเหมือนกันจะมากน้อยในตัวเรานีก็อยู่ที่เราทํามากหรือทําน้อยมาหรือยังยังไม่มาเนี่ยไม่มาเดี๋ยวคุยต่ อ, อ, อและเงินที่เราทําบนนี้ก็มีความต่างกันในใจเราอยู่สองประการคือเราทําด้วย <c oughs> เงื่อนไขหรือไม่ด้วยทำโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าเราทํามีเงื่อนไขนี้บุญก็อาจจะน้อยลงก็ได้เพราะว่าเราไปกําหนดว่าเขาจะต้องให้ทําอย่างนงั้นทำํำนงงี้ให้กับเราพอเราให้เขาแล้ว เ, เขาไม่ทําเราก็จะเสียใจได้แทนที่จะสุขใจกับเสียใจแทนที่จะเป็นบุญกับกลายเป็นทุกข์ไปยั่งถ้าอยากจะให้โดยที่ไม่เสียใจมีแต่ความสุขใจก็อย่าไป สร้างเงื่อนไขอย่าไปบอกเขาว่าต้องทอําทอย่างนั้นทํอาอย่างนี้เราก่อนจะทำํำเราก็พิจารณาให้รอบครอบก่อนว่าอาให้เขาแล้วเขาจะเป็นคนที่เอาไปทําประโยชน์เพื่อเกิดประโยชน์เราก็ช่วยเขาไปก็พอแต่ถ้าเราไปมีเงื่อนไขว่าฉันให้เธอแล้วเธอต้องเชื่อฟังฉันนะเธอต้องเคารพฉันนะเธอเห็นฉันเธอต้องไหว้ฉันนะอย่างเงี้ยถ้าเรามีเงื่อนไขอย่างนี้พอเขาไม่ได้ทําเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธ อย่างทำทาทาบุญแบบให้บอยสุดธดีสุดคืออย่าไปหวังสิ่งตอบแทนจากบุคคลที่เราให้ให้เพราะเราต้องการช่วยเหลือเขาให้เขามีความสุขมีคำถามเข้ามาจากทางเฟ e บุ o k จากคุณวัดค่ะการทำจิตเป็นอุเบกขาต่ออารมณ์ต่างๆที่เกิดกับจิตช่วยพัฒนาทางจิตได้ไหมครับสาธุครับ ก็นั่นแหะเป็นการพัฒนาทางจิตไงก็คือการทําใจให้เป็นอุเบกขาพอถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะลดละความอยากต่างๆได้อย่างไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าเราไม่มีอุเบกขาเวลาเราจะลาะความอยากนี่มันทําให้เราสั่นทรมานคนที่กินเหล้าอยากจะเลิกเหล้านี่ถ้าไม่มีอุเบกขาเลิกไม่ได้ใจมันจะสั่นมือไม้จะสั่นแต่คนที่มีอุเบกขานี่จะทําให้ใจนิ่งใจสงบใจไม่สั่น ไม่เดืออ้นคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ไม่ออกนามค่ะฟังธรรมจากพระอาจารย์สม่ำเสมอค่ะส่วนมากไม่ได้ฟังสดแต่จะได้ฟังย้อนหลังขออนุญาตเรียนถามว่าหากมีบุคคลที่คอยพูดจาประชดประชันด่าว่าเราอยู่เสมอแม้เราไ ม, ไม่ได้ทำอะไรให้เขาจะตั้งจิตอย่างไรดีคะและสามารถทำให้หมดเวรกันได้หรือไม่เจ้าคะ ก็เราทำได้สองอย่างก็คือพิจารณาว่าเป็นเสียงลมไปเสียงลมพัดเสียงนกเสียงกาไปเราห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เวลานกมันร้องเราไม่เห็นรู้สึกเดือดร้อนนกมันดาเราเราก็ไม่รู้ว่ามันดาเราแล้วก็ฟังแค่เป็นเสียงไปอย่าไปสนใจว่าเขาชมหรือด่ามชมก็เป็นเสียงด่า ก, ก็เป็นเสียงเราห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ชอบที่หน้าเรา หรืออาจจะมีเวรมีกรรมกันมาในอดีตหรือจะให้คิดอีกอย่างก็ได้เขบอกว่าอที่เขาพูดไม่ดีกับเราเพราะเขาไม่ชอบเราก็าถือว่ายัางดีเขายังไม่ทุบตีเราเขาเพียงแต่ด่าเราถ้าเขาด่าเราก็คิดว่าดีก็ยังไม่ฆ่าเราอถ้าเขาถ้าเขาตีเราก็คิดว่าดีก็ยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป เกิดมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนตายแบบกําไรดีกว่าตายแบบขาดทุนตายแบบไม่มีเวรมีกรรมกันหมดเวรหมดกรรมกันคิดอย่างนี้แนละ้วมันก็สบายใจคําถามจากทาง youtube ค่ะเมื่อก่อนรู้ว่าคนตายจะเสียใจเหมือนกันแต่ได้ฟังธรรมพระอาจารย์บ่อยๆแล้วรู้ว่าไม่มีใครตายใจไม่ได้ตายตอนนี้ไม่ว่ารู้จัก หรือไม่รู้จักใครที่ตายจะทําให้เราเฉยๆแบบนี้ถือว่าผิดปกติไหมคะถูกถูกปกติเพราะเป็ น, ปนความเป็นความจริงเมื่อก่อนนี้เราหลงคิดว่าร่างกายเป็นคนเวลาร่างกายตายไปคนที่เรารู้จักคนนั้นตายไปต่ความจริงร่างกายเป็นเพียงโทรศัพท์มือถือของเขาเนั้นเองคนที่เขามีโทรศัพท์มือถือเวลาโทรศัพท์มือถือเขาเสียนี่ เขาคนใช้โทรศัพท์มือถือเสียไปด้วยหรือเปล่าไม่เสียใช่ไหมฉันเป็นแบบจะติดต่อกันไม่ได้เท่านั้นเองจนกว่าเขาจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่มาถึงจะติดต่อกันได้ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือของจิตที่เราใช้ร่างกายนี้ติดต่อกันแต่พอร่างกายมันเสียมันตายก็ถือว่าคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือไม่สามารถติดต่อกับเราได้แล้วเท่านั้นเอง รอไปจนกว่าเขาได้ร่างกายอันใหม่แล้วค่อยมาติดต่อกันใหม่คำถามจากคุณนิธิค่ะคำว่าจิตที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้กับวิญญาณในขันห้าเป็นตัวเดียวกันหรือไม่หรือคนละตัวครับคนละตัววิญญาณในขันห้านี่มันทำหน้าที่รับรูปเสียงกลิ่นรสจากตาหูจมูกล่ากายขณะที่มีร่างกายตัววิญญาณนี้มันก็จะทางาน มันจะมาเกาะตาหูจมูกริ้นกายเพื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสไปให้กับใจหรือจิตอส่วนวิญญาณที่เราเรียกเวลาร่างกายตายไปนี้จิตที่เป็นผู้ใช้ร่างกายนี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากจิตมาเป็นวิญญาณดวงวิญญาณนั้นวิญญาณมีสองแบบวิญญาณในขันห้ากับวิญญาณที่เป็นจิตที่ไม่มีร่างกายจิตที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณ พอไปเกิดล้วก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณคะคำถามจากคุณกุณวั์ค่คะการที่เราถวายปัจจัยพระหรือหน่วยงานต่างๆแล้วขอใบอนุโมทนาบัตรไปลดหย่อนภาษีถือว่าได้บุญหรือเปล่าครับได้บุญน้อยหนึ่งเพราะเราของเงินคืนไงเราให้ร้อยหนึ่งแล้วขอคืนสิบบาทาก็เท่ากับเราทำบุญแค่เก้าสิบบาทเท่านั้นเอง หมแล้วนะงั้นอย่ไปขอลดหย่อนทําบุญก็อยากได้เต็มร้อยก็อย่าไปขอลดหย่อนเสียเวลาเสียเงินเสียเวลายุ่งยากแล้วก็บุญก็น้อยลงไปด้วยเพราะเราได้เงินคืนมาใช่ไหมยังก็ทําแค่เก้าสิบาทไม่ต้องไปลดหย่อน้มันเสียเวลาถ้าอยากจะอยากจะได้เงินคืนสิบาทก็เก็บไว้ก่อนเลยไม่ดีกว่ามันก็เท่ากันใช่ไหมไม่ต้องไปขอคืนจากรัฐบาล ก็ทำไปเก้าสิบาทคือรัฐบาลก็ขอร่วมสิบบาทสิบบาทที่เขาคืนให้เรานี่รัฐบาลเป็นคนเอาไปทำบุญให้เราคือเขาอยากจะชักจูงให้เราได้ทำบุญเขาก็เลยใช้ลูกลอ่อลูกเล่นว่าเออเนี่ยทำบุญแล้วมาลดหย่อนภาษีได้แต่ความจริงเรากำลังลดหย่อนบุญของเราที่เราทำโดยไม่รู้สึกตัวคำถามจากทาง YouTube ค่ะ พระอาจารย์สอนให้มองทุกอย่างให้เป็นดินฟ้าอากาศกําหนดไม่ได้ช่วยให้วางลงได้เยอะมากเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังแล้วพัฒนาเป็นภาวนามายปัญญาหรือไม่เจ้คะก็แล้วแต่ว่าถ้าตัวไหน ท, ที่ทําให้เราทุกข์แล้วเราดับมันได้มันก็เป็นภาวนามายปัญญาถ้าตัวไหนเรายังดับมันไม่ได้ก็ยังไม่เป็นภาวนามายปัญญาเพราะว่า กิเลสมันมีหลายตัวตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กอาจจะใช้ภาวนาใช้ปัญญาระดับนี้ดับมันได้แต่ถ้าตัวมันใหญ่เช่นถ้าร่างกายของเรานี้อาจจะดับยากหน่อยเวลาร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บร่างกายเราตายแล้วเราก็ดูว่ามันเป็นดินน้ำหนุมไฟเราห้ามมันไม่ได้นี่เราจะทำใจได้หรือเปล่าถ้าเราทำใจได้ก็แสดงว่าเราก็มีภาวนามตตาปัญญาระดับร่างกายนี้ ระดับร่างกายนี้มันยากกว่าระดับของของนอกกายเช่นเสื้อผ้าหายไปแล้วก็บอกว่ามันก็เป็นดินน้ำนมไฟไม่เป็นไรจะได้ซื้อซื้อชุดใหม่มาใส่ออย่างนี้มันก็ยังมันก็เป็นภาวนามย์ปัญญาระดับนั้นคือถ้าอันไหนมันดับความทุกข์ได้ก็ถือว่าเป็นภาวนามย์ปัญญาแต่มันความทุกข์มันมีหลายระดับเพราะกิเลสมันมีหลายขนาดคําถามจากคุณกำมลพรค่ะ หลับนมรรการค่ะหรูพยายามนั่งสมาธิทําไมต้องหลับทุกครั้งต้องทําอย่างไรคะเพรสติน้อยไงเพรสติพอนั่งแล้วมันใจมันมันมนีไม่ได้ทําอะไรมันก็เลยหลับในวิธีที่จะทําให้ไม่หลับไม่หลับก็ต้องฝึกสติให้มากๆก่อนท่านตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันถ้ามีสติมากใ น, นเวลานั่งมันจะไม่หลับ กับมรดกการพระอาจารย์ค่ะถ้าบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรมาในรูปของเพื่อนร่วม ง, งานนะคะการแผ่เมตตาเขาทุกวันทุกวันนี่จะช่วยได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็แล้วแต่ว่าเขาจะรับหรือไม่รับเนี่ยเช่นเขาร้ายกับเราเราก็ดีกับเขาไปเรื่อยๆมันเกิดเขาเราก็ซื้อของขวัญให้เขามีขนมก็ไปฝากเขาพอช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยเขาไป ส่วนใจก็จะเป็นหินนานทัาเท่าไหร่ก็เรื่องของเขาแต่เราจะเจาะหินไปเรื่อยๆเหมือนน้าที่เจาะหินเจาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวหินมันก็แตกเองคนเราถ้าดีกับเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจก็อ่อนเองคำ <c oughs> ถามจากคุณเด่นคะ่ะการภาวนาพุทโธเราทำแยกจากลมหายใจเข้าออกได้ใช่ไหมครับ หรือต้องตามกันครับอ๋อแยกกันได้ตาทําอันใดอันหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องทําพร้อมกันบางคนก็ชอบทําทั้งสองอย่างก็ทําได้บางคนไม่ชอบทําอย่างเดียวก็ได้ไดได you have question <Yes. S 1> okay please go ahead แล้วก็ถามว่าถ้าสอนแล้วไม่ฟังนี่ให้ทํำยังไงหยุดได้ไหมก็หยุดละสิสอนแล้วก็ไม่ฟังก็เหมือนพูดกับคนหูหนวกอะ พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็เสียน้าลายเสียเวลาเปล่าๆไม่บาปแต่อย่างใดไม่ขาดความเมตตาแต่อย่างใดพอเราทําเต็มที่แล้วเมื่อมันทําแล้วไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์เอเขาก็ไม่ฟังเราก็อย่าไปพูดให้เสียเวลาดีไม่ดีเขาอาจจะโกรธเราเบื่อเราก็ได้จําจี้จํำชัยเราอยู่เรื่อยๆอมีอีกไหมหมดแล้วเลยเอา่าถ้าหมดก็เอาแค่นี้แหละเพราะเหลือแค่นาทีหนึง ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเพณิเพิจารณาปไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน